2 0งรารา ช, ชคห์เศรษฐีวัตถุว่าด้วยเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์เรื่องรักษาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ผู้ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะ332สมัยนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะเป็นเวลาเจปี นายแพทย์ที่สาปาโมก ค, คนสำคัญหลายคนมารักษาก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากนายแพทย์หลายคนบอกเลิกรักษานายแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีขหบดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่ห้านายแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีขหบดี จะถึงอนิจจกรรมในวันที่7ต่อมาคณะกุดุมพีชาวกรุงราชฤกษ์มีความคิดดังนี้ว่าเศรษฐีกหับดีผู้นี้สร้างคุณประโยชน์ ม, มากมายแก่พระราชาและชาวนิคมแต่กลับถูกพวกแพทย์บอกเลิกรักษาแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีกหับดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่ห้า แพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีขหาบดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่เจ็ก็ชีวกเป็นแพทย์หลวงหนุ่มทรงคุณวุฒิอยากกระนั้นเลยพวกเราพึงกราบทูลขอนายแพทย์ชีวกต่อพระราชาเพื่อให้รักษาเศรษฐีพากันไปในราชสำนักเข้าเฝ้ากราบทูลว่าขอเดชะ เศรษฐีขหาบดีผู้นี้สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่พระราชาและชาวนิคมแต่กลับถูกพวกแพทย์บอกเลิกรักษาแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีกหาบดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่หแพทย์บางพวกกล่าวว่าเศรษฐีกหาบดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่เจ็ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาศขอพระองค์โปรดมีรับสั่งนายแพทย์ชีวกโกมารพัทเพื่อให้รักษาท่านเศรษฐีเถิดดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐจึงทรงมีรับสั่งชีวกโกมารพัทว่าชีวกเจ้าจงไปรักษาเศรษฐีขหะบดีชีวกโกมารพัท กราบทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเข้าไปหาเศรษฐีขหะบดีตรวจดูอาการของเศรษฐีขหะบดีแล้วถามว่าท่านขหะบดีถ้าผมรักษาท่านหายจะมีอะไรเป็นรางวัลบ้างเศรษฐีตอบว่าท่านอาจารย์ทรัพสมบัติทุกอย่างจะเป็นของท่านและเราก็ขอยอมเป็นทาสของท่าน ชีวกโกมารพัฒ์ถามว่าท่านจะนอนตะแคงข้างเดียวตลอดเจ็ดเดือนได้ไหมเศรษฐีตอบว่าได้ชีวโกมารพัฒ์ถามว่าท่านจะนอนอีกข้างหนึ years, ember, ่งตลอดเจ็ดเดือนได้ไหมเศรษฐีตอบว่าได้ชีวโกมารพัฒ no ์ถามว่าท่านจะนอนหงายตลอดเจ็ดเดือนได้ไหม เศรษฐีก็ตอบว่าได้ต่อมาชีวโกมารพัฒให้เศรษฐีก็หาบอดีนอนบนเตียงมัดไว้กับเตียงแล้วถลกหนังศีรษะเปิดรอยประสานกระโหลกนำสัตว์มีชีวิตออกมาสองตัวแสดงแก่ชาวบ้านว่าพวกท่านจงดูสัตว์มีชีวิตสองตัวนี้ตัวหนึ่งเล็กอีกตัวหนึ่งใหญ่ พวกอาจารย์ที่กล่าวว่าเศรษฐีกหาบดีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่หคงจะมองเห็นสัตว์ตัวใหญ่มันจะเจาะกินมันสมองของเศรษฐีขหาบดีในวันที่หเศรษฐีกหาบดีถูกมันเจาะกินสมองก็จะถึงอนิจจกรรมสัตว์ใหญ่ตัวนี้พวกอาจารย์เห็นถูกต้องส่วนพวกอาจารย์ที่กล่าวว่าเศรษฐีขหาบดี จะถึงอนิจจกรรมในวันที่7คงจะมองเห็นสัตว์ตัวเล็กมันจะเจาะกินมันสมองของเศรษฐีก้าบดีในวันที่7เศรษฐีกหาบดีถูกมันเจาะกินสมองก็จะถึงอนิจจกรรมสัตว์เล็กตัวนี้พวกอาจารย์เห็นถูกต้องแล้วให้ปิดแนวประสานกระโหลกเย็บหนังศีรษะแล้วทายาสมานแผล รั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เศถีกับข่าบดีกล่าวกับชีวกโกมารพัทว่าอาจารย์เราไม่สามารถนอนตะแคงข้างเดียวได้ตลอดเจเดือนชีวกโกมารพัทถามว่าขหาบดีท่านรับคําไว้ไม่ใช่หรือว่าอาจารย์เราสามารถนอนตะแคงข้างเดียวได้ตลอดเจเดือนเศรษฐีตอบว่าอาจารย์ เรารับรองไว้ก็จริงแต่เราคงตายแน่เราไม่สามารถนอนตะแคงข้างเดียวได้ตลอดเจ็ดเดือนชีวโ ก, โกมารพักล่าวว่าขหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงนอนอีกข้างหนึ่งตลอดเจ็ดเดือนครั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาเษฐีกขหบดีกล่าวกับหมอชีวโกมารพัฒว่าอาจารย์ เราไม่สามารถนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งได้ตลอดเจเดือนชีวโ ก, โกมารพัฒถามว่าขะหะบดีท่านรับรองเราไว้ไม่ใช่หรือว่าอาจารย์เราสามารถนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งตลอดเจเดือนเศรษฐีตอบว่าอาจารย์เรารับรองไว้ก็จริงแต่เราคงตายแน่ เราไม่สามารถนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งได้ตลอดเจเดือนชีวโกโมารพัฒกล่าวว่าขหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงนอนหงายตลอด7เดือนครั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เศรษฐีขหบดีกล่าวกับหมอชีวโกโมารพัฒว่าอาจารย์เราไม่สามารถนอนหงายได้ตลอดเจเดือน ชีวโกโมารพัทถามว่าขหาบดีท่านรับรองเราไว้ไม่ใช่หรือว่าอาจารย์เราสามารถนอนหงายได้ตลอดเจ็ดเดือนเศรษฐีตอบว่าอาจารย์เรารับรองไว้ก็จริงแต่เราคงตายแน่เราไม่สามารถนอนหงายได้ตลอดเจ็ดเดือนชีวโกโมารพัทกล่าวว่า ท่านขหบอดีถ้าผมไม่บอกท่านไว้เช่นนั้นท่านก็จะนอนเท่านั้นไม่ได้ผมทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเศรษฐีกหบอดีจะหายดีเป็นปกติในสามสัปดาห์ลุกขึ้นเถิดกหบอดีท่านหายป่วยแล้วจะให้อะไรเป็นรางวัลเล่าเศรษฐีกหบอดีตอบว่าจงรู้ว่าอาจารย์ ทรัพ ส, สมบัติทุกอย่างเป็นของท่านเราเองก็ขอยอมเป็นทาาท่านชีวโกมารพัฒกล่าวว่าอย่าเลยขอรับท่านอย่าให้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างท่านเองก็ไม่ต้องยอมเป็นทาาของผมท่านจงทูลกล้าวถวายทรัพย์หนึ่งแสกหาพณะแด่พระราชาให้ผมหนึ่งแสกหาปณะก็พอแล้วเมื่อเศรษฐีกหาบดีหายป่วย ได้ทูลกล้าวถวายทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณ ะ, ะแด่พระราชาและให้แก่ชีวกโกมารพัทหนึ่งแสนกหาปณะนะ